เร่งที่ควรย้ําเป็นพิเศษเพราะมกขัดกับความรู้สึกสามัญของคนคือควรย้ําว่ากรรมก็ดีกระบวนการแห่งเหตุผลอื่นๆทุกอย่างในธรรมชาติก็ดีเป็นไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจังและไม่มีตัวตนของมันคือเป็นอนัตตาถ้าสิ่งทั้งหลายเป็นของเที่ยงมีตัวตนจริงแล้ว กฎธรรมชาติทั้งมวลรวมทั้งหลักกรรมยอมเป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นกฎเหล่านี้ยังยืนยันด้วยว่าไม่มีมูลการหรือต้นกำเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายเช่นพระผู้สร้างเป็นต้นสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนแท้จริงเพราะเกิดขึ้นด้วยอาศัยปัจจัยต่างๆและมีอยู่อย่างสัมพันธ์กันตัวอย่างง่ายหยาบ เช่นเตียงเกิดจากนำส่วนประกอบต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันตามรูปแบบที่กําหนดตัวตนของเตียงที่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านั้นไม่มีเมื่อแยกส่วนประกอบต่างๆหมดสิ้นแล้วก็ไม่มีเตียงอีกต่อไปเหลืออยู่แต่บัญญัติว่าเตียงที่เป็นความคิดในใจแม้บัญญัตินั้นเองที่มีความหมายอย่างนั้นก็ไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง แต่ต้องสัมพันธ์เนื่องอาศัยกับความหมายอื่นๆเช่นบัญญัติว่าเตียงย่อมไม่มีความหมายของมันเองโดยปราศจากความสัมพันธ์กับการนอนแนวระนาบที่ตั้งช่องว่างเป็นตน้นในความรู้สึกสามัญของมนุษย์ความรู้ในบัญญัติต่างๆเกิดขึ้นโดยพ่วงเอาความเข้าใจในปัจจัย และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยเหมือนกันแต่เมื่อเกิดความกําหนดรู้ขึ้นแล้วความเคยชินในการยึดติดด้วยตัณหาอุปาทานก็เข้าเกาะ ก, กับสิ่งในบัญยัตินั้นจนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นอย่างหนาแน่นบางความสํานึกรู้และแยกสิ่งนั้นออกจากความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆทําให้ไม่รู้เห็นตามที่มันเป็นอาหารการและมะมังการ จึงแสดงบทบาทได้เต็มที่อันหนึ่งธรรมดาของสิ่งทั้งหลายย่อมไม่มีมูลการหรือเหตุต้นเขาหรือต้นกำเนิดเดิมสุดเมื่อหยิบยกสิ่งใดก็ตามขึ้นมาพิจารณาถ้าสืบสาวหาเหตุต่อไปโดยไม่หยุดจะไม่สามารถค้นหาเหตุ ด, ดังเดิมสุดของสิ่งนั้นได้แต่ในความรู้สึกสามัญของมนุษย์ มาคิดถึงหรือคิดอยากให้มีเหตุต้นเขาสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่ขัดกับธรรมดาของธรรมชาติและกำหนดหมายสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเรียกได้ว่าเป็นสัญญาวิปลาดอย่างหนึ่งทั้งนี้เหตุเพราะความเคยชินของมนุษย์เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งใดและคิดสืบสวนถึงมูลเหตุของสิ่งนั้น ความคิดก็จะหยุดจับติดอยู่กับสิ่งที่พบว่าเป็นเหตุแต่อย่างเดียวไม่สืบสาวต่อไปอีกความเคยชินเช่นนี้จึงทำให้ความคิดสามัญของมนุษย์ในเรื่องเหตุผลเป็นไปในรูปชะงักติดตันและคิดในด้านที่ขัดกับกฎธรรมดาโดยคิดว่าต้องมีเหตุต้นเขาของสิ่งทั้งหลายอย่างหนึ่งซึ่งถ้าคิดตามธรรมดาแล้วก็ต้องสืบสาวต่อไปว่า อะไรเป็นเหตุของเหตุต้นเขานั้นต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเพราะสิ่งทั้งหลายมีอยู่อย่างสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยสืบต่อกันจึงย่อมไม่มีมูลการหรือเหตุต้นเขาเป็นธรรมดาควรตั้งคําถามกลับซ้ําไปว่าทําไมสิ่งทั้งหลายจะต้องมีเหตุต้นเขาด้วยเล่าความคิดฝืนธรรมดาอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความเคยชินของมนุษย์และสัมพันธ์กับความคิดว่ามีเหตุต้นเขาคือความคิดว่าเดิมทีเดียวนั้นไม่มีอะไรอยู่เลยความคิดนี้เกิดจากความเคยชินในการยึดถืออัตตาโดยกำหนดรู้ขึ้นมาในส่วนประกอบที่คุมเข้าเป็นรูปลักษณะแบบหนึ่งและวางความคิดหมายเฉพาะลงเป็นบัญญัติยึดเอาบัญญัตินั้นเป็นหลัก เกิดความรู้สึกคงที่ลงว่าเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเห็นไปว่าเดิมสิ่งนั้นไม่มีแล้วมามีขึ้นความคิดแบบชะงักทื่อติดอยู่กับสิ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งห่งแหน่หนึ่ ง, งหนึ่งไม่ลั่นเป็นสายเช่นนี้เป็นความเคยชินในความคิดอย่างที่เรียกว่าติดสมมุติหรือไม่รู้เท่าทันสมมุติจึงกลายเป็นไม่รู้ตามที่มันเป็น เป็นเหตุให้ต้องคิดหาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีอยู่เป็นนิรันดรนขึ้นมาเป็นเหตุต้นเขาเป็นที่มาแห่งการแสดงรูปเป็นต่างๆหรือเป็นผู้สร้างสิ่งทั้งหลายทาให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นต่างๆเช่นสิ่งนิรันดรจะเป็นที่มาหรือสร้างสิ่งไม่เป็นนิรันดรได้อย่างไรถ้าสิ่งเป็นนิรันดรเป็นที่มาของสิ่งไม่เป็นนิรันดรสิ่งไม่เป็นนิรันดร จะไม่เป็นยิรันดอนได้อย่างไรเป็นต้นแท้จริงแล้วในกระบวนการอันเป็นกระแสแห่งความเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันนี้ย่อมไม่มีปัญหาแบบบ่งตัวตนว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรอยู่เลยไม่ว่าเดิมทีเดียวหรือบัดนี้เว้นแต่จะพูดกันในขั้นสมมุติสัจจะเท่านั้นควรย้อนถามให้คิดหมายด้วยซ้าไปว่า ทำไมจะต้องไม่มีก่อนมีด้วยเล่าแม้ความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมีผู้สร้างซึ่งปกติถือกันว่าเป็นความคิดธรรมดานั้นแท้จริงก็เป็นความคิดขัดธรรมดาเช่นกันความคิดเชื่อเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะมองดูตามข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งเห็นและเข้าใจกันอยู่สามัญว่า มนุษย์เป็นผู้สร้างอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ศิลปะวัตถุเป็นต้นขึ้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะการสร้างของมนุษย์ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งโลกก็ต้องมีผู้สร้างด้วยเหมือนกันในกรณีนี้มนุษย์พรางตนเองด้วยการแยกความหมายของการสร้างออกไปเสียจากความเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามปกติจึงทำให้เกิดการตั้งต้นความคิดที่ผิด ความจริงนั้นการสร้างเป็นเพียงความหมายส่วนหนึ่งของการเป็นเหตุปัจจัยการที่มนุษย์สร้างสิ่งใดก็คือการที่มนุษย์เข้าไปร่วมเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ผลรวมที่ต้องการนั้นเกิดขึ้นแต่มีพิเศษจากกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยฝ่ายวัตถุล้วนก็เพียงที่ในกรณีนี้ มีปัจจัยฝ่ายนำมาทำรรที่ประกอบด้วยเจตนาเป็นลักษณะพิเศษเข้าไปร่วมบทบาทด้วยดังเช่นที่เรียกว่าความต้องการแต่ถึงอย่างนั้นมันก็มีฐานะเป็นเพียงปัจจัยอย่างหนึ่งร่วมกับปัจจัยอื่นๆและต้องดำเนินไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยจึงจะเกิดผลที่ต้องการดังตัวอย่างเช่นว่า เมื่อมนุษย์จะสร้างตึกก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยผลักดันเหตุปัจจัยต่างๆให้ดำเนินไปตามสายของมันจนเกิดผลสำเร็จถ้าการสร้างเป็นการบัรดาลผลได้อย่างพิเศษกว่าการเป็นเหตุปัจจัยมนุษย์ก็เพียงอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งแล้วคิดบัรดาลให้เรือนหรือตึกเกิดขึ้นในที่ปรารถนาตามต้องการซึ่งเป็นไปไม่ได้ การสร้างจึงไม่ได้มีความหมายนอกเหนือไปจากการเป็นเหตุปัจจัยแบบหนึ่งและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันอยู่ตามวิถีของมันเช่นนี้ปัญหาเรื่องผู้สร้างย่อมไม่อาจมีได้ในตอนใดๆของกระบวนการอย่างไรก็ดี การพิจารณาเหตุผลในปัญหาเกี่ยวกับเหตุต้นเขาและผู้สร้างเป็นต้นนี้ถือว่ามีคุณค่าน้อยในพุทธธรรมเพราะไม่มีความจำเป็นต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในชีวิตจริงแม้ว่าจะช่วยให้เกิดโลกัศน์และชีวัศน์กว้างๆในทางเหตุผลอย่างที่กล่าวข้างต้นก็อาจข้ามไปเสียได้ด้วยว่าการพิจารณาคุณค่าในทางจริยธรรมอย่างเดียว มีประโยชน์ที่มุ่งหมายคุ้มถึงอยู่แล้วในที่นี้จึงควรพุ่งความสนใจไปในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตในทางปฏิบัติเป็นสำคัญดังเด็กเล่าแล้วแต่ต้นว่าชีวิตประกอบด้วยขันห้าเท่านั้นไม่มีเสียงใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันห้าไม่ว่าจะแฝงอยู่ในขันห้าหรืออยู่ต่างหากจากขันห้า ที่จะมาเป็นเจ้าของหรือควบคุมขันห้าให้ชีวิตดาเนินไปในการพิจารณาเรื่องชีวิตเมื่อยกเอาขันห้าขึ้นเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นอันครบถ้วนเพียงพอขันห้าเป็นกระบวนการที่ดาเนินไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือมีอยู่ในรูปเป็นกระแสแห่งปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยสืบต่อกัน ไม่มีส่วนใดในกระแสคงที่อยู่ได้มีแต่การเกิดขึ้นแล้วสลายตัวไปร้อมกับที่เป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแล้วสลายตัวต่อๆไปอีกส่วนต่างๆสัมพันธ์กันเนื่องอาศัยกันเป็นปัจจัยแก่กันจึงทำให้กระแสหรือกระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างมีเหตุผลและคุมเป็นรูปร่างต่อเนื่องกัน ในภาวะเช่นนี้ขันห้าหรือชีวิตจึงเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออยู่ในภาวะแห่งอนิจจตาไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดดับเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาอนัตตาไม่มีส่วนใดที่มีที่เป็นตัวตนแท้จริงและไม่อาจยึดถือเอาเป็นตัวจะเข้ายึดครองเป็นเจ้าของ บังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนจริงจังไม่ได้ทุกขตาถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยู่ทุกขณะและพร้อมที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เสมอในกรณีที่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้และยึดติดถือมัน่นกระบวนการแห่งขันห้าหรือชีวิตซึ่งดำเนินไปพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะ โดยไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่นี้ย่อมเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์แก่การลุลนตามวิถีทางแห่งธรรมชาติของมันแต่ในกรณีของชีวิตมนุษย์ปุถุชนความฝืนกระแสจะเกิดขึ้นโดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้นและยึดถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกระแสว่าเป็นตัวตน และปรารถนาให้ตัวตนนั้นมีอยู่หรือเป็นไปในรูปใดรูปหนึ่งในเวลาเดียวกันความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแสก็ขัดแย้งต่อความปรารถนาเป็นการบีบคั้นและเร่งร้าวให้เกิดความยึดยากรุนแรงยิ่งขึ้นความดิ้นรนหวังให้มีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งและให้ตัวตนนั้นเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดี ให้คงที่เที่ยงแท้ถาวร อ, อยู่ในรูปที่ต้องการก็ดีก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อไม่เป็นไปตามที่ยึดอยากความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเป็นความผิดหวังความทุกข์ความขับแค้นรุนแรงขึ้นตามกันพร้อมกันนั้นความตระหนักรู้ในความจริงอย่างมัวมัวว่าความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน และตัวตนที่ตนยึดอยู่อาจไม่มีหรืออาจส่วนสลายไปเสียก็ยิ่งฝังความยึดอยากให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นพร้อมกับความกลัวความประหวันพรั่นพรึงก็เข้าแฝงตัวร่วมอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งและสลับซับซ้อนภาวะจิตเหล่านี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตนตัณหา ความอยากให้ตัวตนที่หลงว่ามีนั้นได้เป็นหรือไม่เป็นต่างๆอุปาทานความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไว้กับสิ่งต่าง ๆ, างๆกิเลสเหล่านี้แฝงลึกซับซ้อนอยู่ในจิตใจและเป็นตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามอำนาจของมันทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว ตลอดจนเป็นตัวหล่อล้อมบุคลิกภาพและมีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆเหล่าในวงกว้างมันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ของมนุษย์ปุถุชนทุกคนโดยสรุปข้อความที่กล่าวมานี้แสดงการขัดแย้งหรือปะทะกัน ร, ระหว่างกระบวนการสองฝ่าย คือ 1. กระบวนการแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาซึ่งแสดงอาการออกมาเป็นชาติชรามรณะทั้งในความหมายหยาบตื้นและลึกละเอียด 2. ความไม่รู้จักกระบวนการแห่งชีวิตตามความเป็นจริง หลงผิดว่าเป็นตัวตนและเข้าไปยึดติดถือมั่นเอาไว้จะให้มันเป็นไปตามที่จะอยากแปงพร้อมด้วยความหวาดกลัวและความกระวนกระวายพูดให้สั้นลงไปอีกว่าเป็นการขัดแย้งกันระหว่างกฎธรรมชาติกับความยึดถือตัวตนไว้ด้วยความหลงผิดหรือให้ตรงกว่านั้นว่าการเข้าไปสร้างตัวตน ขวางกระแสแห่งกฎธรรมชาติไว้พูดให้ง่ายกว่านั้นว่าเกิดการขัดการสวนทางกันขึ้นระหว่างกระแสเหตุปัใจจัยในธรรมชาติกับกระแสความอยากในใจของคนเมื่อกระแสความอยากในใจไม่มั่นคงหรือพ่ายพังไปก็กลายเป็นความทุกข์ในรูปลักษณะการต่างๆนี่คือชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยอวิชชา อยู่อย่างยึดติดถือมัน่นอยู่อย่างเป็นทาตอยู่อย่างขัดแย้งฝืนต่อกฎธรรมชาติหรืออยู่อย่างเป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่เช่นนี้ถ้าพูดในทางจริยธรรมตามสมมุติสัจจะก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมีตัวตนขึ้นสองตนคือตัวกระแสแห่งชีวิตที่ดำเนินไปตามกฎธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย แม้จะไม่มีตัวตนแท้จริงแต่กำหนดแยกออกเป็นกระแสรหรือกระบวนการอันหนึ่งต่างหากจากกระแสรหรือกระบวนการอื่นๆเรียกโดยสมมุติสั จ, จว่าเป็นตนและใช้ประโยชน์ในทางจริยธรรมได้อย่างหนึ่งกับตัวตนจอมปลอมที่ถูกคิดสร้างขึ้นยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานดังกล่าวแล้วอย่างหนึ่ง ตัวตนอย่างแรกที่กำหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสั จ, จโดโวยรู้สภาพตามที่เป็นจริงย่อมไม่เป็นเหตุให้เกิดความยึดติดถือมั่นด้วยความหลงผิดแต่ตัวตนอย่างหลังที่สร้างขึ้นซ้อนไว้ในตัวตนอย่างแรกย่อมเป็นตัวตนแห่งความยึดติดถือมัน่นคอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอย่างแรกจึงเป็นที่มาของความทุกข์ การมีชีวิตอยู่อย่างที่กล่าวข้างตน้นนอกจากเป็นการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไว้ในจิตใจส่วนลึกที่สุดเพื่อไว้บังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเองทำให้กระบวนการชีวิตไม่เป็นตัวของมันเองหรือทำตนเองให้ตกเป็นทาสไปโดยไม่รู้ตัวแล้วยังแสดงผลร้ายออกมาอีกเป็นนันมากคือทาให้มีความอยากได้อยากเห็นแก่ตัวอยากแสหาสิ่งต่าง ที่จะสนองความต้องการของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยึดอยากหวงแหนไว้กับตนโดยไม่คำนึงถึงผู้ใดอื่นคือกามุปาทานทิศนี้เพื่อให้ความอยากความต้องการนั้นมั่นคงมีที่อ้างอิงก็ทําให้เกาะเหนียวเอาความคิดเห็นทิฏฐิทฤษฎีหรือทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สนองหรือเข้ากับความอยากเอามาหรือตั้งขึ้นมาตีความเทิดค่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนหรือเป็นของตนแล้วกอดราดิึมั่นทนุถ น, นมความคิดเห็นทิฏฐิทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆไวเหมือนอย่างป้องกันรักษาตัวเองเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากั้นบางตนเองไม่ให้ติดต่อกับความจริงหรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริง ทำให้เกิดความกระด้างทื่อไม่คล่องตัวในการคิดเหตุผลและใช้วิจารณญาณตลอดจนเกิดความถือรันการทนไม่ได้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นที่ถุป่าทานเมื่อคิดเห็นยึดมั่นเชื่อถือมีทิฏฐิว่าอะไรอย่างไรดีไรควรเอาควรได้ควรถึง และจะลุจจะถึงได้อย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตตลอดจนถือลทัทธิธรรมเนียมพิธีต่างๆที่บอกที่ทำตามๆกันไปแม้โดยงม ง, งายไร้เหตุผลทำไปเพียงด้วยความยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติแบบแผนลทัทธิพิธีเหล่านั้นเพราะรู้เห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นเพียงรงรงมัวมัวไม่มีความรู้เข้าใจ ที่จะมองเห็นความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือความเป็นเหตุเป็นผลแน่ชัดเหมือนอย่างพวกถือพรตบำเพ็ญตะบะเอาเป็นเอาตายกับข้อปฏิบัติจุกจิกหยุมมยิม้มที่ทำต่อตามกันมาโดยยึดมั่นว่าด้วยการบำเพ็ญพร ถ, ถือปฏิบัติอย่างนั้นจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จะบรรลุจุดหมายหรือตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เป็นต้น แล้วก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแย้งกันกับคนอื่นพวกอื่นเพราะละทัทธิธรรมเนียมข้อยึดถือปฏิบัติเหล่านั้นซึ่งเรียกว่าศิลป ะ, ะตุปาทานในเวลาเดียวกันลึกลงไปในที่สุดก็คือความห่วงใหญ่ในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่สร้างขึ้นมายึดติดถือมั่นไว้อันเป็นตัวตนเลื่อนลอย ที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรแน่ก็เลยจะต้องคอยยึดคอยถือคอยแบบเอาไว้คอยรักษาธนุธนอมป้องกันและด้วยความกลัวว่าจะต้องสูญเสียตัวตนนั้นไปก็ไขว่คว้ายึดช่วยเอาอะไรอะไรที่พอจะหวังได้เอาไว้ยืนยันตัวแม้จะอยู่ในรูปที่รังๆมืดมัวก็ตามร้อมกันนั้นก็กลายเป็นการจำกัดตนเองให้แคบให้ไม่เป็นอิสระ และพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สร้างขึ้นยึดถือแบกไว้นั่นเองด้วยซึ่งเรียกว่าอัตตวาทุ ป, ปาทานโดยในยะนี้ความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์จึงไม่ได้มีอยู่เฉพาะในตัวบุคคลผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังขยายออกไปเป็นความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์แก่คนอื่น และระหว่างกันในสังคมด้วยกล่าวได้ว่าภาวะเช่นนี้เป็นที่มาแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาทั้งปวงของสังคมในฝ่ายที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์หลักปฏิจจสมุปบาทแบบประยุกต์แสดงการเกิดขึ้นของชีวิตแห่งความทุกข์หรือการเกิดขึ้นแห่งการมีชีวิตอยู่อย่างมีตัวตนซึ่งจะต้องมีทุกข์เป็นผลลัพธ์แน่นอน เมื่อทำลายวงจรในปฏิจจสมุปบาทลงก็เท่ากับทำลายชีวิตแห่งความทุกข์หรือทำลายความทุกข์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการมีชีวิตอยู่อย่างมีตัวตนนี่ก็คือภาวะที่ตรงกันข้ามอันได้แก่ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอยู่อย่างไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติหรืออยู่อย่างไม่มีทุกข์ การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหมายถึงการอยู่อย่างรู้เท่าทันสภาวะแล้วรู้จักถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติการถือเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้เป็นอย่างเดียวกับการอยู่อย่างประสานกลมกลืนกับธรรมชาติการอยู่ประสานกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นการอยู่อย่างอิสระการอยู่อย่างเป็นอิสระก็คือการไม่ต้องตกอยู่ในอำนาจของตันหาอุปาทาน หรือการอยู่อย่างไม่ยึดติดถือมัน่นการอยู่อย่างไม่ยึดติดถือมั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาหรือการรู้และเข้าเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามวิธีทางแห่งเหตุปัจจัย